บรียเชิญฟังเรือนิท่านธรมหัวออกแม่เป็นทําน้องเตตแหล่อีสานพืนผ้าเข้า พื้นอาจารย์สำรวยเสียงนามตนโสกก่ paral a ทํานองมว Fernช่วนฝัน ขอแต่สาตุชนเจ้าฟังเอาบันสิมวันหรือขอเชิญชวนทุกธานฟังขอพลทแหลงหน้ากาลบักนี้ a M'en <many> i fà pbert thàng, C'è ang kacang na bún, fà bùn, ok C'è Quen bò tốt chặt nhoi Cả lưỡi đèn đọc ngay phu uống Này nhín phà lan phù Nằm cầm phai kè sửa Hòa mi anón su cằn hầm na oka pat ni lan hai fang chetsana siang kong lu luang yang yang hai sawang sua pa dia ku YANG HUMA KANG TI FANG KA chie, SU FANG PORI HÁI SO KUANG DOK KHA NI TUATU KAI KAN KUN THIET LÀN LÌN KUANG Hòa mè ươi phóng thay Âu, ให้เบิงเอานันทนาจากบ้านนอกหรือในเนี้ย Get in on The time you อทุกสิ่งอย่างตลอดสิ้นบ่ว่า la va cit ja es feum de amlong Mèn và khóm cha nướn, Hiệt chẳng sân chẳng chẳng khóa tiêu càng cao tàm tàm tàm tây tươi tươi luyện ngài đột mẹ ư... Íp hỏa ươi tăng chết lãi đồng tường tương xây lặng sự án cao Llāsālīn tha khuāng ว่ามโนปุพังขมาจังว่าธรรมทั้งหลายนั่นมีใจเป็นหัวหน้าดอกมีใจเป็น quan m'n cà i s'hi Uy, men barok rumkua ngăn-sukhap, chakka-wán khat, men chayman pa-song-kanyom, pa-e-chon-dayen, pa-e-ka-khu-kan-i-sa-ma-ka-kha-kha-kha-ng-i-lien, n yoo n e ro k way ยิงยางยางอ้าย bàt i hàt mà vau, <coughs> jop, Khàu lứa canh chùn sò thòn ưỡng khà nínng bầy sù bón bàm pa bòm phá hóa bàm nón kè sôc để rục hòn vè sắp cà chiến l'humanitat del ocultà la majadenlaughs més del20 d'Ana que desp 빠d Noi to'n ancha khao kai, lửa ผู้เข้าสังใหญ่มีนั้นไกลแห่งตื่ม แต่เกิดมาจนเฒ่านั้นผมเฒ่า โอ้ยฮักสักปีกว่ามาด่าวิลากะสั่งเมืองนี่ ลูกเอ๋ยน้องโอ้ยลูกเจ็บพายลงเจ็บป่า <ève S 2> <sociedad. S 1> คงที่เปื่อยนับตั้งแต่มื้อ เกลื่อนกูเมินเกลื่อนกูทน Fòa, mẹ ơi, men lục lãng Aulà l'au ban vi s'i k'ong vèi l'an sâm vèi thè sâm canh phò thi hèm mi เกิดขึ้นมาแล้วก็ ให้พุจัยหมอเตือนบ้าหูหอมของธรรมบ้ามิสวียนมีทานอามพราวนาวัย ย่อมจักนําต้นให้ตกลง จังใด๋เมื่อเข้านี้ละผ่านพ้นด่านได้บรรลุมรรคญาณบ่หวนเฮียนเกือกกว่าสิหม่องมัวแต่อย่าง หวังไปเนานอนข้างเมืองสวรรค์เทวะโลกขามุขะ การที่คนเฮานั่นหยังวนเวียน ตัวทันฮาพินโตนคุกขอคอพุกชาตนักปราธวันกาวทุวังอันฮีวาพอดีมนอกจับนี้นันได้เช้ตัวกำมันคอยน้ำจำช่องช่อง คือรังแก้วเผ่าฝันมณีราเเครือ วากรรมสัตเตวิภัตติติหีนะ นอกจากนี้ก็เป็นนกเป็นหูผ่องเป็นหูเป็นลืม sa tha ขอห้วยคลองมาเว้าบ่นู่นคดีก่อน กี่วาในคืนนี้ฝันเห็นสร้าง Thau nyai ni เย้ยพว้องพว้องไฮและอันบ่าคิดชีวิตมันกะยังติดตามอยู่บันได้กะน้ำพอและหลุบไป Liao bưng gá sát chèo nán lèm yai hao kwam yai. Mư măn thưn đáp khom đuang gá. พ่อแต่มันเห็นหน้าเท่าใหญ่ก็คุม oh, N'hai sàm vòm sà-tí hoang mưa thèm, Chòn hoà tűn múm, tà lúc dày lèo, Cà nhẵng dàn sàn bò sà-hùm, Chè kượt ma năn lau, Cà phương lau, si atsa chan เจ็ดเอาคำ túตคប mở tuต่อញទ จำเจวาลานทุกข์ทุกข์การก็เคยฝัน ơ là puเข้าpanlarø ตอนยังฝันยังเพ้อก็ดี a l'ang tia que khứa จนกุตู่มันคั่นซ้อนสิลงคอหน้า ป่าวดังไฟสติลาเข้าสิสุก a vang tíu sau vai jur kham quan vai ni quan sau pag quan vai ta fee ng lip nò ผู้ชนให้ทันฟังจากน้อยหนึ่งคือหลังจากทันมหาแดงก็จากนี้ขอท้าว แต่ท่านมหาแดงบ่ทันพ่อรถออกไปแล้วท่าน นำข่าวรายไปบอกโยมที่เมืองอุบลบัดนี้ขอเชิญสาธุชนผู้สนใจฟังท่านอาจารย์ท่องดาโชติปัญโญรับหน้าที่แทนสามเณรคำนำข่าวสารสู่เมืองอุบล